นิทานเรื่องพ่อค้าสองตระกูลตลาดจ้ะรู้แล้วว่าตลาดไม่ มีพ่อค้าอยู่ 2 ตระกูลคือตระกูล ทั้ง 2 พ่อค้าหนุ่มก็เริ่มไปค้าขายยัง โอ๊ยต้องไปละยาจริงๆกลัวแล้ว 500 เล่มถ้าขืนไปพร้อมกันเอางี้ดีกว่าไปกันคนละคราดีกว่า อยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนจะไปหลังอ่า งั้นให้เข้าเราไปหลังย่อมมีประโยชน์กว่าก่อนท่านก็สินค้าก็ไม่ต้องตั้งราคาก่อนกันนะอ๋อ เอาเราพวกเราล่ะพวกเราฟังให้เตรียมตัวออก กินเป็นพักษาหาเอาเรามาปะชุมกันทางจ้อง แล้วเปรี้ยวป่าก็กัน แปลงร่างตนเองเป็นอ้าว จะไปเมียเสร็จชื่นอืมใช่อ้าวพนมจะไปค้าขายเหรอ น่าแถวนี้ป่าไม้เขียวชะอุ่มไปหมดจะ เฮ้ย! พวกเรา! แถวนี้ป่าไม้เขียวชอุ่มไปหมดน้ําต้อง ก็พังดงนั้นมาทำไมเหมือนอะไรก็ไม่มีกินกับดินเลยร้านไหนไหนมีกันโอ้ย ตามก็มาดีจ้ะอ๋อๆครับครับรับกันเถอะรับกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปยอมกินกันทีละคนคนเดียวกว่าเลยโอ้ยๆอะไรกันเนี่ยอ้า ไอ้หนอยและแล้วพ่อค้า ก็เตรียมตัวออกเดินทางไปค้าขายตามเส้นทางที่พ่อค้าตระกูลใต้ไปจนกระทั่งออกเดินจึงเริ่มแผนการเดิมอีกครั้งไปค้าเพราะทราบมาว่า ยักษ์จะมีพิรุษสองอย่างแปลงร่างเป็นมนุษย์นั้นจะ เดี๋ยวก่อนพี่น้องทั้งหลายทุกคนก็รู้ว่าที่นี่มัน กุเวนเราแห่งตระกูลใต้น่ะคงจะเสียท่ากลัว จัดหาอาหารกินให้เต็มที่ ไอ้หมอนนี่มันฉลาดบุกเข้าไปไหมเข้าไปมันฟันเราเลยควยไม่กำแพงเจ้ามึงยามถืออีดาบ จะบุกหรือว่าจะต้องจลลีลีกลับไปนอนน่ะนึก พอได้กินเสร็จแล้วครับ พ่อค้าหนุ่มตระกูลเหนือเดินทาง การยอมเสียเปรียบ